แต่ในเดือนที่8นับจากที่ข้าพเจ้าอุปสมบทนั้นเองเหตุร้ายก็เกิดขึ้นเหตุการณ์ครั้งนั้นข้าพเจ้าทราบด้วยหัวใจที่เต้นระทึกข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่ามันเป็นโชคดีหรือโชคร้ายสาหรับข้าพเจ้าแต่ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นสมณะข้าพเจ้าไม่กล้าคิดว่าข้าพเจ้าโชคดีข้าพเจ้าไม่ควรยินดีในความเสียหายของเพื่อนมนุษย์แม้ผู้นั้นจะเป็นผู้ทาให้ข้าพเจ้าต้องระทมขมคืน เปมันคู่มั่นของอารยาถูกฆ่าตายเสียงโจ์จันกันแทบทุกหนทุกแห่งในย่านที่ไม่ไกลนักท่านผู้เจริญภิกษุทั้งหลายผู้ออกบินทบาททราบข่าวนี้แต่เช้าเพราะชาวตลาดพูดกันเส็งแซ่แต่วิพากวิจารไปต่างๆนาน า, นาแต่ข่าวที่แน่นอนก็คือบ้านของเปมันถูกปล้นในราตรีหนึ่งเปมันออกต่อสู้ป้องกัน และถูกฆ่าตายดังกล่าวแล้วท่านพูดเจริญเปมันเป็นพ่อค้าใหญ่มีทรัพสมบัติมากแต่อันหนึ่งที่ทำให้เปมันเป็นเทีย่ยเอื้อมระอาของเพื่อนพ่อค้าด้วยกันก็คือความเห็นแก่ตัวไม่ยอมเสียเปรียบใครแม้แต่น้อยแต่การเอาเปรียบผู้อื่นเป็นเรื่องที่เปมันทำเสมอจนเป็นที่รู้กันทั่วไปและพูดกันติดปาก เมื่อเห็นใครเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นว่าทําตามแบบของเปมันมีพ่อค้าผู้หนึ่งซึ่งเป็นคู่แข่งคนสำคัญของเปรมันเขาชื่อเป่ารยันทั้งสองคนนี้ชิงดีชิงเด่นกันอย่างมากไม่มีใครยอมเสียเปรียบใครเลยแม้แต่น้อยและพยายามหักล้างกันอยู่เสมอในครั้งสุดท้ายเป่ารยันถูกคดโกงโดยเล่ห์เหลี่ยมทางการค้าขายอย่างจัง และขาดทุนเกือบจะย่อยยับแต่ทั้งฝ่ายเปมันยิ่งร่ำรวยมากขึ้นและฮึกเหิมมากขึ้นเบารยันจึงว่าจ้างคนร้ายให้เข้าปล้นบ้านของเปมันและฆ่าเปมันตายแต่ทั้งคนร้ายและเบอร์ยันเองก็หาได้พ้นจากการลงโทษของกฎหมายไม่คนร้ายทั้งหมดถูกจับและถูกจองจำทาโทษตามโธสารโทษ รวมความว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็ย่อยยับไปด้วยกันไม่มีใครได้ดีเลยทรัพย์สมบัติก็หมดตัวก็ตายชื่อเสียงทางร้ายทางเสียก็เป็นที่รู้กันทั่วไปท่านผู้เจริญการประพฤติทุจริคตคดโกงให้ผลอย่างนี้เองพระธรรมชาติถูกแล้วท่านผู้เจริญการครองชีวิตโดยการทุจริคตคดโกง ไม่เคยทําให้ใครเจริญรุ่งเรืองตลอดไปได้พระศาสดาตรัสไว้ว่าคนผ่านย่อมมองเห็นการกระทาชั่วมีรสหวานปานน้าพึ่งเมื่อความชั่วนั้นยังไม่ให้ผลเมื่อใดความชั่วนั้นให้ผลเขาย่อมเดือดร้อนถึงความทุกข์ทรมานปานไฟลนฝ่ายคนดีมองเห็นการกระทาดีเป็นเรื่องต้องทนทรมานยุ่งยากและหนิดเหนื่อย ในเมื่อกำดีนั้นยังไม่ผลติตผลเมื่อใดกำดีให้ผลเขาย่อมได้รับความสุขความเจริญประสบรสหวานแห่งชีวิตท่านผู้เจริญพระบรมศาสดาตรัสไว้ดังนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้พุทธสาวกรู้จักคำว่ารอคอยเพราะธรรมชาติของกรรมจะให้ผลก็ต่อเมื่อสุขเต็มที่เท่านั้นและกรรมต่างๆก็สลับซับซ้อนมาก คนทุกคนจะต้องเคยทำทั้งกรรมดีและกรรมชั่วมาแล้วกรรมดีกรรมชั่วเหล่านั้นย่อมให้ผลตามโอกาสของตนของตนกรรมที่บุคคลทำไปแล้วย่อมไม่สูญหายไปได้เลยแต่เพราะความใจร้อนอย่างเด็กและเพราะการทำความดีด้วยความเห็นแก่ตัวของผู้ทำนั่นเองจึงทำให้มองอะไรอะไรสับสนกันไปหมดเพราะฉะนี้ผู้มีปัญญาจึงควรงดเว้นบาป บำเพ็ญบุญทีละเล็กทีละน้อยพระบรมศาสดาเคยตรัสเตือนไว้ว่าอย่าดูหมิ่นว่าบาปเล็กน้อยจะไม่ผลิตผลมาถึงบุญก็เช่นเดียวกันดูแต่น้ำที่ตกลงมาทีละหยดก็ยังทำให้หม้อน้ำให้เต็มได้ถ้าเธอทั้งหลายกลัวต่อทุกข์ก็อย่าทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้ง คนบางคนเข้าใจว่าการคดโกงคนอื่นได้เป็นความฉลาดและมองเห็นคนซื่อสัตย์เป็นคนโง่แต่ความจริงได้พิสูจน์ตลอดมาว่าคนซื่อสัตย์เป็นคนฉลาดตลอดชีวิตแต่คนคดโกงจะลงท้ายด้วยความโง่อย่างน่าละอายเมื่อเปมันตายแล้วอริยาก็เป็นอิสระหมดพันธะผูกพันเรื่องเป็นคู่มั่นทุกคนที่รู้จักข้าพเจ้าดีลงความเห็นว่า ข้าพเจ้าจะต้องสึกแน่ๆแต่หกเดือนผ่านไปโดยที่ข้าพเจ้ายังมิได้ศึกความคิดและเข้าใจของคนทั้งหลายก็ดูเงียบๆไปส่วนอาริยาเองข้าพเจ้าไม่ทราบว่าหลอนเป็นอย่างไรเพราะเป็นเวลาหนึ่งปีเศษตั้งแต่ข้าพเจ้าอุปสมบทแล้วข้าพเจ้าไม่เคยพบเธออีกเลยมาริสาถ้าเรื่องทั้งหลายจบลงเพียงเท่านี้ก็เป็นอันจบลงด้วยดี แต่เรื่องของขพเจ้ายังไม่จบเก้าเดือนต่อมาอรารยาได้มาหาขาพเจ้าถึงอารามท่านอาจจะตั้งปัญหาว่าทำไมอรารยาจึงไม่มาหาขาพเจ้าเสียตั้งแต่แรกที่เธอเป็นอิสระปัญหาข้อนี้ตอบง่ายอรารยาคงคิดว่าถึงอย่างไรขพเจ้าจะต้องศึกออกไปภายในเดือนสองเดือนนั่นเองจึงไม่จำเป็นที่เธอจะมาหาขาพเจ้าแต่เธอคิดผิด เมื่อการเวลาล่วงเลยพอสมควรแล้วข้าพเจ้ายังมิได้สึกออกไปเธอจึงตัดสินใจมาเยี่ยมเยียนดูท่านพูดเจริญท่านโปรดอย่าเพิ่งเข้าใจผิดในตัวอาริยาเธอมิได้มารบกวนหรือพูดอะไรให้ข้าพเจ้าต้องคิดเลยเธอเป็นแต่เพียงมาเยี่ยมเยียนเท่านั้นส่วนความรู้สึกภายในของเธอข้าพเจ้าเหลือที่จะทราบได้อีกประการหนึ่งท่านก็ทราบดีว่า เราส ม, มณะทั้งหลายไม่อาจพูดอะไรกับสตรีมากไปกว่าคำพูดธรรมดาได้ท่านผู้เจริญระยะเวลาหนึ่งปีเศษที่ไม่ได้พบกันเมื่อข้าพเจ้าจากมาอุปสมบทนั้นอราิยาผอมซูบซีดมากตามที่ข้าพเจ้าได้เรียนให้ท่านทั้งสองทราบแล้วแต่คราวนี้เธอเปล่งปลั่งสดใสและมีแววแห่งความร่าเริงแฝงอยู่ทั้งบนใบหน้าและแววตา เมื่อได้มาครั้งหนึ่งแล้วการมาครั้งที่สองที่สามก็ติดตามมาด้วยพร้อมด้วยปัจจัยเครื่องอาศัยมีอาหารและของใช้เป็นต้นเสมอๆแต่ไม่ใช่บ่อยนักข้าแต่ท่านผู้เป็นวงแห่งพระอาทิตย์โปรดยาหาว่าข้าพเจ้านำเรื่องเลวไหลไรสาระมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายเลยข้าพเจ้าขอบอกท่านตรงๆว่าใจของข้าพเจ้ายังกลับกรอกไม่แน่นอน จนบัดนี้เป็นเวลาสามปีแล้วที่ข้าพเจ้าอุปสมบทมาข้าพเจ้ายังมิได้โปรงใจแน่ว่าข้าพเจ้าจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิตหรือข้าพเจ้าจะออกไปวิ่งเต้นอย่างชาวโลกเหมือนครั้งก่อนอีกแม้ข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมแต่มุมหนึ่งแห่งดวงใจของข้าพเจ้าก็ยังมีอริยาแอบอยู่เสมอจะอย่างไรก็ตาม ระยะเวลาสามปีของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วยการศึกษาค้นคว้าพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าคิดว่าหากข้าพเจ้ามีความจําเป็นต้องศึกออกไปก็จะพยายามศึกษาให้รู้ให้เข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าพอสมควรเสียก่อนเพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตามเยี่ยงคฤหัสถ์ที่ดีทั้งหลาย สามารถนำเอาธรรมะไปแก้ไขปัญหาชีวิตได้ข้าพเจ้าอยู่มาได้ขนาดนี้ก็เป็นที่พอใจของบิดามารดาและตัวข้าพเจ้าเองแล้วพูดถึงอรารยาเธอเป็นคนที่เสียสละมิใช่คนที่เห็นแก่ตัวเมื่อเห็นข้าพเจ้ายังมีความพอใจอยู่ด้วยภิกษุภาวะเธอก็อนุโมทนาและข้าพเจ้าก็ตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมด้วยดี ไม่ได้มีอะไรเสียหายให้เป็นที่คารหาเลยข้าแต่ท่านผู้เจริญชีวิตของข้าพเจ้าเป็นอย่างนี้แหละท่านจะว่าเป็นเรื่องเศร้าก็เศร้าจะว่าสุขหรือทุกข์ร้อนก็ดูเหมือนจะมีทุกรสทุกแบบสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาจะเรียนถามท่านผู้เจริญก็คือว่าข้าพเจ้าจะทำอย่างไรดีข้าพเจ้ายังไม่ได้ตกลงใจอย่างไรอย่างหนึ่งเลย หรือข้าพเจ้าจะศึกไปตามการเวลาอันสมควรอวุโสพระธรรมชาติกล่าวขึ้นก่อนอื่นข้าพเจ้าขอชมเชยในความเปิดเผยความจริงใจของท่านการเปิดเผยความจริงใจให้เพื่อนพรมจารีทราบ เป็นลักษณะดีอันหนึ่งของสมณะสมณะที่มีลักษณะปิดบังซ่อนเร้นเป็นสมณะที่ไม่ควรแก่การไว้วางใจผู้ที่เข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้แล้วย่อมเป็นเหมือนพี่น้องซึ่งมีมารดาบิดาเดียวกันมีสิ่งใดก็ควรจะเปิดเผยบอกเล่ากันเหมือนพี่น้องปรับทุกข์ปรับสุขกันอโโุโสเรื่องที่ท่านจะศึกหรือควรจะทาอย่างไรอื่นนั้น ขอให้เวลายืดยาวออกไปอีกสักเล็กน้อยเห็นจะดีในเวลานี้ข้าพเจ้ายังมองไม่เห็นว่าควรจะให้คําแนะนําแก่ท่านอย่างใดข้าพเจ้าคิดว่าในกรณีของท่านนี้น่าจะลองปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินอันหนึ่งที่ท่านได้เข้ามาบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยอันบริสุทธิ์และประพฤติตนได้อย่างท่านนี้ก็นับว่าเป็นกุศลมากอยู่แล้ว สมัยหนึ่งพระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมแก่กูฏันตพราหมณ์ในเรื่องอานิสง์ของการบรรพชาอุปสมบทว่าการทำบุญกุศลที่ลงทุนแต่น้อยแต่กลับได้ผลมากคือการสละบ้านเรือนออกบวชการนี้มีผลมากกว่าการให้ทานทั่วไปกว่าการให้ทานอุทิศสง์ซึ่งจรมาจากจตุรทิศกว่าการถึงพระรัตนไตร กว่าการรักษาศีลห้าแปลว่าในบุญกิริยาเหล่านั้นอันให้ผลมากไตาตามลำดับขึ้นมามาสิ้นสุดลงที่การออกบวชเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าการที่ท่านมาบวชในธรรมวินัยอันบริสุทธิ์และประพฤติตนได้อย่างท่านนี้ก็นับว่าเป็นกุศลมากอยู่แล้วท่านผู้เจริญชีวิตพรหมจรรย์ของข้าพเจ้ายังไม่แน่นอน ข้าพเจ้าอาจจะต้องเสียสละโลกอันบริสุทธิ์ลงไปสู่โลกอันไม่บริสุทธิ์อีกก็ได้แต่บัดนี้มีปัญหาข้อหนึ่งซึ่งผุดขึ้นมาในจิตใจของข้าพเจ้าขอท่านได้อาศัยความอนุเคราะห์ตอบด้วยคือข้าพเจ้ามีความสงสัยและปรารถนาจะทราบว่าด้วยเหตุมีประมาณเท่าใดและด้วยอาการอย่างไรพระภิกษุผู้ยังหนุ่มมีเกศายังดำสนิท จึงสามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ได้ตลอดชีวิตอาวุโสปัญหาของท่านนี้ดีมากเป็นปัญหาที่น่าสงสัยและน่าสนใจข้าพเจ้าขอยกข้อความที่พระมหาเถราโบราณเคยตอบมาแล้วมาเล่าให้ท่านฟังอีกและให้ถือเป็นคำตอบปัญหาของท่านไปในตัวสมัยหนึ่งพระปินทลภารัทวชะ อาศัยพักอยู่ณโคสิตารามในเมืองโกสัมพีพระเจ้าอุเทนกษัตริย์แห่งเมืองนั้นเข้าไปหาท่านและถามปัญหาขึ้นว่าข้าแต่ท่านพารัตถัวชะอะไรเล่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภิกษุผู้ซึ่งยังหนุ่มมีเกสาดำถึงพร้อมด้วยวัยอันเจริญอย่างดำรงอยู่ในปฐมวัยไม่อาลัยผัวพันในกามประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ได้ตลอดชีวิต ขอถวายพระพรมหาบพิษความข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เห็นได้ตรัสไว้แล้วว่าดูกรพิสุทธิ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเข้าไปตั้งจิตไวในฐานะเหมือนมารดาในหญิงปูนมารดาเหมือนพี่สาวน้องสาวในหญิงปูนพี่สาวน้องสาวเหมือนทิดาในหญิงปูนทิดามหาบพิษ ด้วยเหตุนี้แหลภิกษุนุ่มจึงประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ตลอดชีวิตพระกุ่นเจ้าธรรมชาติของจิตนี้โลเลบางครั้งยังเกิดความพอใจกำหนัดได้แม้ในหญิงปูนมารดาในหญิงปูนพี่สาวน้องสาวและแม้ในหญิงปูนทิดาข้าแต่ท่านพารัตวาชะมีเหตุมีปัจจัยอื่นอีกไหมที่เป็นเหตุให้พิกษุนุ่มประพฤติพรหมจรรย์ บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ได้ตลอดชีวิตมหาบพิษพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงพิจารณากายนี้ตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาตั้งแต่ปลายผมลงไปซึ่งมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆกล่าวคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก เยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดเหงื่อน้ำมันค้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดพระคุณเจ้า เรื่องที่ท่านกล่าวนั้นสําหรับภิกษุที่อบรมกายดีแล้วมีศีลสมาธิและปัญญาอันได้รับการอบรมดีแล้วก็ไม่เป็นการลําบากย่อมจะทําได้แต่สําหรับผู้ที่ไม่ได้รับการอบรมกายด้ดีมีศีลสมาธิและปัญญาอันยังไม่ได้รับการอบรมย่อมทําได้ยากคือในบางครั้งพยายามพิจารณาทําในใจว่าไม่งามไม่งาม แต่มันเห็นเป็นงามงามเสียเรื่อยไปท่านพารัตทวาชะผู้เจริญมีเหตุปัจจัยอันอื่นอีกไหมที่ทำให้ภิกษุยังหนุ่มประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ได้ตลอดชีวิตมหาบพิตรพระบรมศาสดาตราัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำรวมอินทรีย์อยู่เถิดคือเมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหู ดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องสัมผัสด้วยกายและรู้เรื่องราวต่างๆด้วยใจก็อย่าได้ยึดถือทั้งส่วนย่อยและส่วนใหญ่อย่าให้มีความดีใจเสียใจรั่วไหลเข้าสู่จิตใจได้มหาบาพิษอันนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภิกษุซึ่งยังหนุ่มมีแกาดำยังอยู่ในปฐมวัยสามารถประพฤติพรหมจรรย์ บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ตลอดชีวิตได้ข้าแต่ท่านภารัทวาชะอาสจัจจรน์หนอาสัจจันโหนอสิ่งไม่เคยมีได้มีขึ้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแท้ข้อนี้เองเป็นเหตุให้พิสูจซึ่งยังหนุ่มสามารถประพฤติพรหมจรรย์อยู่ตลอดชีวิตได้ข้าแต่ท่านภาลัทวาชะตัวข้าพเจ้าเองแลเมื่อใดเข้าสู่ภายในวัง ด้วยกายวาจาใจที่ยังมิได้ระมัดระวังมิได้คุ้มครองรักษาเมื่อ น, นั้นความใคร่ก็ย่ายีได้แต่ครั้งใดคุ้มครองรักษาสมรวมกายวาจาใจด้วยดีความใคร่ก็ย่ายีจิตใจมิได้เลยข้าแต่ท่านภารัตวชะช่างจำแจ้งดีเลือกเกินจำแจ้งดีแท้เหมือนาหของที่ควา่าเปิดของที่ปิดบอกทางให้คนหลงทาง ส่องประทีปในที่มืดเพื่อให้คนที่มีจักษุมองเห็นรูปต่างๆข้าแต่ท่านพารัตวาชะขพเจ้าขอถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสาระตลอดชีวิตอาวุโสพระธรรมชาติพยำนี่เป็นคำตอบสำหรับปัญหาของท่านส่วนอันตรายอันเป็นเหตุให้ภิกษุต้องเคลื่อนจากโรมจันนั้น ข้าพเจ้าหวังว่าท่านคงทราบและเข้าใจดีแล้ว